พระธรรมเทศนาแผ่นที่52ลำดับที่สโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่ย0สพฤษภาคม2556หมีเชื่อเรื่องว่าจะชั่วจะดีมีใจเป็นผู้กำหนดวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบ พฤษภาคมพุทธศักราช2556เมื่อวันที่18ที่ผ่านมากลุ่มนักศึกษา7สถาบันที่บวชเมื่อวันที่21เมษายน56ทั้งหมด30ลาศิกขาไปกลุ่มที่ลาศิกขาไปก็ลาศิกขาไปแล้ว แล้วก็ยังเหลือจะพระประจำวัดของเราทีนีทั้งหมดสาสบสองรูปนาคสองแต่วันนี้ลงมาชันยี่สิบหไม่มาชันหรูปตามพระเวรรายงานนะแต่ถึงยังไง พวกเราถึงจะอยู่มากหรือน้อยก็ให้ทางอกท้งใจหน้าที่ของใครของเราคือหน้าที่ของใครของเราคำนี้ก็คือเราเกิดมาพวกเราเกิดมาเพราะกรรมของตนเองกรรมคือการกระทาของตนเองเกิดมาแล้วก็มาพบมาเจอกัน จากนั้นก็ต่างคนก็ต่างไปคนละทิศละทางกันอีกแล้วก็มาเกิดอีกมาเจอกันแล้วก็มาอยู่ด้วยกันจากนั้นก็แยกย้ายกันอีกอันนี้คือวัฏฏะสงสารพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าเน้นนี่นนคือการท่องเที่ยวในวัฏฏะสงสารลุ่มลุมรอนรอนสูงสูงต่ําๆ ไม่ได้อยู่ด้วยกันชั่วฟ้าดินสลายมาเจอกันแล้วก็ช่วระยะหนึ่งบางทีก็บางชีวิตก็อายุยาวบางชีวิตก็อายุสั้นสุดแท้แต่ยุคตามยุคตามสมัยในศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราทั้งว่านี่แหละอายุร้อยปีเป็นอายุไขแต่ในศาสนาของพระพุทธเจ้ากัจจปะ อายุสองหมื่นปีเป็นอายุไขแต่พระศีอริยะเมตไตรที่จะตัดต่อไปภายภาคหน้าจากพระโคตมะของเรานี่อายุแปดหมื่นปีเป็นอายุไขคนแต่ละยุคอายุไม่เหมือนกันตามหลักพระไตรปิฎกที่ท่านได้พูดได้ตรัสเอาไว้แต่พวกเราท่านทั้งหลาย ก็มองมองดูก็อย่างที่ว่าคือความเห็นของเราเนี่ยไม่น่าเชื่อนะแต่ไม่น่าเชื่อก็ต้องฟังไว้ก่อนทําไมพวกเราเกิดมาในโลกสัพสัตทางหลายทําไมอายุไม่เหมือนกันทําไมอายุช้างอายุยืนเต่าทําไมอายุยืนแต่บัวควายมันตัวใหญ่กว่าคนมันน่าจะอายุยืน อายุของวอัวควายก็ประมาณทัก27 28ปี30ปีเป็นอย่างมากหมดอายุไขของวอัวควายแต่หมาแต่หมาที่พวกเราเลี้ยงกันประมาณ8ปดปีเป็นอายุไขถ้ามากกว่านั้นก็สิบห้ปีอันนั้นแปลว่าโดยมากจะเป็นหม า, ายุโรปหมาฝรั่งที่เขาเลี้ยงดีเขาทะนุถนอมนอายุขนาดนั้นเป็นอายุไข แต่ทําไมเกิดมาในโลกอายุไขจึงไม่เหมือนกันพวกยุงพวกเหลือบพวกเนี่ยอายุเจ็ดวันเป็นอายุไขทําไมอายุไขของคนไม่เหมือนกันอายุของสัตว์สัตว์ทั้งหลายไม่เหมือนกันนี่แหละมันแยกกันโดยอัตโนมัติเพราะนั้นที่ทพระพุทธเจ้าท่านตรัสไปว่าบางครั้งบางยุคบางสมัยอายุยืน ถึงหลายหมื่นปีอย่างพระศรีอริยะเมตรายอย่างนี้ท่านว่าอายุยืนถึงแปดหมื่นปีเนี่ยแต่พวกเราท่านทั้งหลายอายุเจ็ดหกสิบเจ็ดสิบปีนี่ก็ไม่น่าเชื่อคนะาว่าไม่ไม่น่าเชื่อคำนี้คล้ายๆกับว่าไม่มีอะไรเป็นเรื่องเครื่องรองรับเหมือนกันเพราะเป็นความเห็นแต่ถึงยังไง การที่จะเป็นอยู่อายุมากหรืออายุน้อยก็คือกรรมคือการกระทําถ้าใครทำำํากรรมดีก็ได้ดีทํากรรมชั่วก็ได้ชั่วเหมือนกับเราเด็กเกิดมาใหม่ๆ่พอเดินต่อแต่ได้เอาไฟไปจุดเออเอาไฟไปจุดบ้านจุดเราเผาเรือนมันก็ไหม้เหมือนกันไม่ใช่ว่าเด็กจุดแล้วไม่ไหม้ไม่ใช่เราเด็กไปจุดเสร็ ถังน้ามันอะไรเนะี่ยที่มันจะไม่ได้มันก็ไหมอายุแก่เท่าชรลาที่จะไปทำเนี่ยมันก็ไหม่ได้ไม่สิ่งของไหมบ้านไม่เรือนได้เพราะอะไรกรรมคือการกระทาไม่ได้เลือกว่าหนุ่มไม่ได้เลือกว่าแก่ไม่ได้เลือกว่าอายุสัน้นอายุยาวถ้าใครทำกรรมชั่วก็เป็นเรื่องของชั่วถ้าใครทำกรรมดีก็เป็นเรื่องของดี คนนั้นใ ห, หลักทำคำสอนของพระพุทธเจ้าทอย่าทำรมชั่วให้สั่งสมแต่คุณงามความดีคิดดีทำดีพูดดีคิดดีพูดดีทำดีคำนี้เนะ่เอาอะไรมาเป็นเครื่องวัดบางทีเขาทำดีบางทีเอาเล่าเอาสุราเลี้ยงหมู หรือเอายาป้ามาแจ ก, กหมูให้หมูกินหรือพอฆ่าวัวฆ่าควายเลี้ยงหมูอย่างนี้จัดว่าทําดีไหมแต่ทําดีจริงอยู่แต่มันเบียดเบียนคนอื่นอคือฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์เพื่อเลี้ยงคนอื่นดีอยู่แต่ว่าการเลี้ยงแต่ว่าเบียดเบียนสัตว์นี่ไม่ดีแต่ถ้าว่าเราเอาสุราเลี้ยงเขา ก็ดีอยู่ประวัตงเงินของเราซื้อเหล้าให้เขากินแต่เมื่อเขาเมาแล้วเขาเกะ ก, กะล่าลานฆ่ากู่ฆ่าคนเพราะว่าเขาเมาขาดสติทำให้คนอื่นขาดสติกรรมคือการกระทําของเราที่เราไปซื้อของเมือนเมาให้เขาดื่มเขากินเขาเสพนั่นแ่ะอันจุดนั้นมันพิษทำไมไม่เอาซื้อของที่เขาใช้ได้กินได้กินแล้วมีสุขภาพแข็งแรง มีความล่มเย็นเป็นสุขได้ทำไมไม่ทำอย่างนั้นอันนี้ก็คือกระจกเงาและสินะคือเอาศีลธรรมเข้ามาลังวัดในจุดนั้นเลยทำดียังไง่อว่าทำดีทำชั่วจะจัดไปอย่ังไงจะว่าทำชั่วเอคิดชั่วทำดีทำชั่วพูดดีพูดชั่วอันนี้ก็คือกรรมคือการกระทำ การกระทำทำได้สามทางในหลักทั้งในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้สามสามทางคือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกายกรรมคือการกระทําทางกายวจีกรรมคือการพูดทางวาจามโนกรรมคือการคิดทางใจหาคิดทางใจคิดซะก่อน ยังค่อยทำออกไปพอทำออกไปถ้าคิดดีสิ่งผลที่ออกไปมันก็ดีถ้าคิดชั่วถ้าผลออกไปมันก็ชั่วถ้าคิดดีพูดออกไปมันก็ดีถ้าคิดดีพูดออกไปเอมันก็ดีถ้าคิดชั่วพูดไปมันก็ชั่วนะมันออกไปจากใจอีกเหมือนกันใจเป็นหลักแต่ว่า ในหลักธรรมคำสอนถึงคิดเฉยๆถ้าคิดเฉยเฉยไม่ได้ทำอะไรคิดอยากจะฆ่าเขาคิดอยากจะ ข, ข, จะขโมยเขาคิดอยากจะทําความชั่วเสียหายมากมายหลากหลายหลายหลายอย่างเราคิดมิแต่ชื้อชั่วทั้งหมดแต่ยังไม่ได้ทำยังไม่ได้ทำออกไปยังไม่ได้พูดออกไปอันนั้นเป็นแต่เพียงมโนกรรม มีเป็นความคิดทางใจยังไม่ผิดวินัยยังไม่ผิดศีลยังไม่ผิดกฎหมายกฎหมายยังไม่ผิดนะถ้าคิดเฉยๆถ้าวกระทาออกมาเมื่อไหร่ถ้าคิดเสร็จแล้วทำตาไม่เป็นมิตรกับใครอย่างเนี้ยหรือทำอากัปกิริยาไม่แสดงความเคารพอย่างเนี้ยผิดละนะทีนี้เออ ถึงจะไม่พูดก็เถอะยังไม่ทําอะไรแต่อแสดงกับกิริยาเนี่ยแสดงความไม่เคารพกันมันผิดแล้วนะท่านเนี่ยยิ่งพูดออกไปอีกมันผิดแหละท่นเนี่ยกว่านั้นขนาดใจคิดเฉยๆเนี่ยยังไม่ผิดยังไม่มีอะไรยังไม่มีผลแต่เมื่อกระทําออกไปหรือพูดออกไปนั่นแหละผลท่ อ, ออกมาดีหรือชั่ว เ, เพราะนั้นท่านจึงให้มีศีลรักษากาย รักษากายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศิลเพราะนั้นให้พวกเราสํารวมเรื่องศินให้เป็นผู้มีศิลจะคิดจะทําจะพูดอะไรให้สํารวมให้ระวงังการกระทําลงไปนะั้นมันจะเดือดร้อนไหมมันจะเรือดอนตนเองไหมเดือดร้อนผู้เกี่ยวข้องไหมพอเราอยู่กับผู้คนทั้งหลายอย่างลบพ่อจะอยู่กับลูกศิษย์ลูกหาศรัทธาญาติโยม ถ้าหลวงพ่อคิดไม่ดีทําไม่ดีพูดไม่ดีกับลูกศิษย์ลูกหาเหล่านี้แหะจะเดือดร้อนถ้าเว่าผู้อะไรก็ตามจะเป็นลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อถ้าคิดไม่ดีทําไม่ดีพูดดมีก็ทําให้หลวงหลวงพ่อเดือดร้อนหมู่พ่อเพื่อนเดือดร้อนที่อยู่ใกล้กันถ้าพ่อแม่ก็เหมือนกันถ้าคิดไม่ดีทําไม่ดีก็ทําให้ลูกหลานทุกเกี่ยวข้องเดือดร้อนแต่ถ้าว่าลูกหลานก็เหมือนกัน ถ้าคิดไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีกำทำให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายเดือดร้อนเพราะนั้นก่อนที่จะคิดจะทำจะพูดจิงใดให้พวกเราตรวจตราการคิดการพูดหรือการกระทำลงไปในนี้มันจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนไหมทำให้ตนเองเดือดร้อนไหมอันนี้ให้ระวังในเมื่อพวกเราสำรวมระวังในการคิดการ กระทำการพูดของเราแล้วนะอยู่นสถานที่ใดร่มเย็นเป็นสุขไม่มีเหตุไม่มีภยัยมีแต่ความผาสุขทวนหน้ากันเพราะนั้นขอให้พวกเราใช้หลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาทำคําสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นกระจกเงามาเป็นเครื่องดําเนินชีวิตพวกเราจะประสบแต่ความร่มเย็นเป็นสุขอยู่นสถานที่ใดเป็นสุข ร่ด้วยกันท่วนหน้ากันทั้งหมดจนถึงอวสานอาวสานของชีวิตตั้งแต่เกิดจึงถึงตายพูดง่ายๆมีแต่ความร่มเย็นพาสุขไม่มีโทษไม่มีภยัยไม่มีเวรรู้จักเขารู้จักเรารู้จักความเมตตาสงเคราะห์อนุเคราะห์ซึ่งกันละกันนี่แหละอยู่ด้วยกันมีแต่เกื้อกูลหนุนกันมีแต่ความสุขความสบายใจ วันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดแนวหนึ่งตอนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุมโมธนาให้พอ